อ ع و ذ بالله من الشيطان ا, ول إ الع الع ل ر ต ي م بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و به نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الأعظم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا ر ض ي ت ولك الحمد بعد الرضا و ش ه د أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين و ا وأ ش ه د أن نبينا م ح م د ا عبده ورسوله อารสุ ل u رحمة للعالمين وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ب ن س أ ل أمة وشاهد في لحقتها الل فجزاه الله أن و ع م, م َ م ى. ي ع ون ون. ت ي خَرَمَ ج َ ز َ ا ه ن ب ي ا ع ن ع م َ ت ي أما ب َ ى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับเช่นเดียวกันกับพี่น้องที่สละมากรก็ไว้ลุกมุสลามุลละพละวะบรากาตุครับพน้อครับเราม่คุยกันต่อในช่วงควาอัติบัอัลกุรอานระ البلد แล้วยู่ในช่วงอาลัที่วอลัลลัมนั่จาลล่าให้เนสองและลิ้นาวะชั้นที่และหนาหนน้จดหนแล้วเราก็ได้ให้ทางนำทั้งสองแก่มนุษย์ทุกคนนั่นคือสิ่งที่พระลอสุฮานะฮูวาตาละได้บอกเราไว้แล้วก็จะเป็นส่วนที่เราจะคุยต่อจากเนื้อหาที่ผ่านมานะครับพี่น้องเราคุยกันในส่วนที่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไงว่าพระลอสุฮ า, าห์นะฮุวตาลนั้นรักฉันอยู่ ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญเพื่อใช้ในการตรวจสอบตัวของพวกเราเองแล้วก็ไม่ได้เอาไว้ทิมแทงผู้อื่นนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนอินชาลอฮ์ครับผมเราได้คุยกันแล้วนะครับว่าสัญญาณอย่างน้อยที่สุดสัญญาณที่เราพอจะตรวจสอบได้ว่าผูเรารักเราหรือไม่นั้นมีทั้งหมด9สัญญาณเราได้คุยไปแล้ว8สัญญาณนะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะคุยกันสัญญาณที่แก้วซึ่งเป็นสัญญาณที่สาคัญที่สุด ใช้คำว่าสําคัญที่สุดเลยสัญญาณนี้คืออะไรเมื่อพวรสุภานังหูวัตตาลารักใครอย่างแท้จริงรักแบบจริงๆต้องการให้ความเมตตาสูงสุดกับเขาพวรสจะให้บั้นปลายของคนคนนั้นสวยงามครับผม ในคุรานขับมุ่งอัลลอฮฺและว่นอิศรานชิกาขบะยาอียะอินซานอินนกักคาลิฮฺอิลารบบิคคาลิัมฟูรุลกีมนุษยชาติเอย๋ยแน่นอนพวกเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ว่าเร่งรีบที่จะมาสู่นายของเจ้าเรวกับการเร่งรีบด้วยกับการทาการงานต่างๆแล้วเจ้าก็จะได้รับผลตามการงานที่พวกเจ้าได้ทำเอาไว้แล้วเจ้าต้องเจอนายของเจ้าอย่างแน่นอน أفرأيت من اتغدى إلهه هواه و ع ا ل ل ه الله على علم وخاتم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من ب ع د الله فلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا ده วาา่า ม, ม้า لهم ب ذ ل ิ่งอิลหมินอิ่มห์อิลล่ะยดุนนุนในสรจารยอ้า ย, 23, ย, ยาที่ยี่สิบสามถยี่สิบสีเช่นเดียวกันครับพู้ล้อสุภาในหัวตาได้พูดถึงศัตรูธรรมข้อเท็จจริงเพื่อเป็นการเตือนสติพวกเราว่าพู้ล้อบอกว่าพวกเจ้าไม่ได้สังเกตหรือถึงคนที่เขายึดเอาอารมณ์ของเขาเป็นพระเจ้าในกลุ่มนุชครับมีคนที่ยึดเอาอารมณ์ของเขาเป็นพระเจ้าหมายความว่าถ้าเขาคิดอะไรมันต้องเป็นตามนั้น ถ้าเขาอยากทำเขาก็จะทำถ้าเขาไม่อยากทำเขาก็จะไม่ทำโดยไม่เกี่ยวว่าสิ่งที่เขาได้ยินสิ่งที่เขาเจอจะเป็นอัลกุรอานจะเป็นแบบอย่างนบีหรืออะไรก็ตามแต่หมายความว่าในหมู่มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมจะมีกลุ่มคนที่เขายึดเอาอารมณ์ของเขาเป็นพระเจ้าบางคนบอกมันแปลว่าอะไรพูดง่ายก็คือยึดเอาอารมณ์เป็นใหญ่ไงครับ เอาอารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่ฉันอยากจะละหมาดฉันก็จะละหมาดฉันอยากจะละหมาดแบบนี้ฉันก็จะละหมาดแบบนี้ฉันอยากทําอย่างนั้นฉันก็จะทําอย่างนั้นฉันไม่อยากทําอย่างนี้ฉันก็จะไม่ทําอย่างนี้เอาอารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่ไม่เกี่ยวว่าอัลลอฮฺพูดอะไรหรือระซูลพูดอะไรไม่เกี่ยวแม้เขาจะอ้างว่าตัวเองเป็นมุสลิมหรือไม่ก็ตามพี่น้องครับพวกเราได้กล่าวว่างไงครับคนประเภทเนี่ยส่วนใหญ่ครับพฤติกรรมของเขาคําพูดของเขาเขาก็จะบอกว่าชีวิตในดุ n y าของเรามันก็แค่นี้แหละ แล้ว เ, เกิดแล้วเราก็ตายไม่มีอะไรทําให้เราดับสูญนอกจากเวลาเท่านั้นถึงเวลาเราก็ตายอันนี้ไม่ใช่แค่กาเฟสนะครับแม้แต่มุสลิมบางส่วนในอุซบิลลมินดาลิกพฤติกรรมของเขาแสดงไปอย่างนั้นคือหลงทุ่มกับตุนยาไปทั้งหมดแล้วถึงเวลาเขาบอกองี้ครับถึงเลฉันตายก็ตายก็จบก็แค่นั้นบางทีก็ยังไม่สนใจซ้ำว่าตายแล้วจะเป็นยังไงพี่น้องที่รักยิ่งครับ ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลามได้พูดว่าขบ่าว่า“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“ หอมหวานแก่เขาอัลสลัหูอัลสล์า น, น้ำน้ำพึง่งอัลสลัหูพวก a l l a ใช่ความหอมหวานความงดงามแกเขาเมื่อซาบะดินก็ถามเขาว่ายาห ร, าร์สโลลลออะไรคืออัลสลัหูอะไรเหลือที่ว่าให้ความหอมหวานกับเขาท่านเบีมุฮัมมัดสโลลลอสุลรัมบอกว่าไงครับคือการที่พวกล l l a h นั้นจะเปิดโอกาสให้เขาได้ทําการงานที่ดีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตแล้วพวก Allah ก็จะเก็บวิ ญ, ญญาณเข้าไปในสภาพที่เขานั้น ได้ทําความดีสุภาณุพ่อครับเราจะเพราะว่าพี่มีพี่น้องของเราจํานวนยังบางท่านไม่สบายใจบางท่านอาจจะพูดบางท่านอาจจะปรึกษาบางท่านอาจจะเก็บความเครียดไว้ในใจอย่าเอาล้อตอนฉันเด็กๆ เ, เนี่ยฉันผ่านอะไรมาเยอะเหลือเกินตอนชั้นวัยรุ่นเนี่ยฉันทำซ้ำสิ่งที่ไม่ดีเหลือเกินฉันเป็นคนหลั่งล ะ, ละฉันเป็นคนที่ไม่ได้อยู่กับรังกะปรอยความชั่วชันทำมาสารพัดอย่าเอาล้อตอนเนี่มันทันอยู่ไหม ฉันจะมากลับเนื้อกับตัวตะนเดียวฉันก็แก่ชร า, าแล้วฉันก็ไม่ไหวแล้วฉันก็อย่างนั้นฉันก็อย่างนี้พี่น้องที่รักยิ่งครับถ้าหากว่าพี่น้องเริ่มมีอายุแล้วพี่น้องมีความรู้สึกว่าอยากจะกลับเนื้อกับตัวหาลอ AH, อยากจะเป็นคนดีให้อัลลอรักพี่น้องทุ่มในเรื่องการศึกษาศาสนาของอัลลอฮ์ต่อให้ชร า, าแค่ไหนก็ตามต่อให้แก่แค่ไหนก็ตามต่อให้อายุเจกว่าเพึ่งมาเรียนท่องจําอัลฟาติฮะอันนี้ผม เจอกับตัวมีคนมาให้อาจารย์ท่านอินสอนผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยอายุเจ็กว่าปีแล้วครับบอกอาจารย์ทำยังไงเนี่ยฉันอูนี้แล้วฟาติฮะฉันก็ยังอ่านไม่เป็นละมาฉันไม่รู้ละมาใช้ได้หรือเปล่าก็เรียนจนกระทั่งว่าอา่านท่องจำอัลฟาติฮะได้อสัสซาลาฮูนี่คือความงดงามนี่คือความหอานหวานที่เราให้กับเขาเพราะนั้น อย่าได้เศร้าอย่าได้ทุกข์ตับได้ก็ตามที่เรามีความรู้สึกที่ว่าอยากกลับเนื้อกับตัวให้อลลอร์รักเราอยากจะทุ่มชีวิตของเราเพื่อทําสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเป็นสัญญาณที่แสดงให้รู้ว่าพู้ออลลอร์รักเรามากครับผมรักเรามากจริงๆนะท่านเพระผู้อลลอร์ไม่แคร์เลยว่าในอดีตเราจะเป็นใครในอดีตเราจะทําอะไรมาในอดีตนั้นเราจะผ่านอะไรมาบ้างที่สําคัญที่สุดคือณเวลานี้ ที่สำคัญที่สุดคือณเวลานี้นับจากนี้ต่อไปจนถึงวันที่ชีวิตของเราเน้นจะจากกันยาพี่น้องที่รักครับความตายมันไม่ใช่เรื่องที่คิดแล้วมาสบายใจความตายเป็นอะไรที่คิดแล้วอาจจะเครียดอาจจะเศร้าอาจาอาจะรู้สึกแย่แต่มันคือความจริงที่มันจะต้องเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนไม่มีใครเว้นกุ้นลมันอายไลทาแฟานใครก็ตามที่อยู่บนโลกใบนี้เมื่อถึงเวลาเขาก็ต้องดับสูญ เมื่อถึงเวลาเขาก็ต้องเสียชีวิตทนายกุรานอีกัยยะหนึ่งพวกเราก็บอกว่าหลังจากนั้นพวกเจ้าก็จะถูกนําตัวกลับไปหานายของเจ้าแล้วพวกก็จะบอกพวกเจ้าถึงสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทํามันเอาไว้พี่น้องพี่รักนี่ครับมีคนถามท่านนบีมุสลลอยิมเกี่ยวกับเรื่องของการถือสนบนในวันจันทร์กับวันพฤหัสนอกเหนือจากว่าส่วนหนึ่งแล้วจะเป็นเพราะว่ามันตรงกับวันที่ท่านนบีมุสลิมเกิดท่านนบีก็เลยถือสินบน แต่ท่านอับดุลโมฮัมหมัดสุลต่านอิสลามบอกว่าไงครับในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยการงานของบ่าวจะถูกนําไปเสนอต่อพู้อาลลอสสุบฮานุอัลตาราที่ฟากฟ้าในอาทิตย์นึ่งจะถูกนําเสนอ2วันคือวันจันทร์กับวันพฤหัสหมายถึงว่าเราทำอะไรมาบ้างงานก็จะถูกเตรียมถูกบันทึกไว้หมดจนกระทั่งถึงวันจันทร์ถึงวันจันทร์เมื่อเข้าเวลามัคคิริ ป, ปุ๊บจบวันจันทร์ละการงานทั้งหมดก่อนหน้านั้นจะถึงวันจันทร์จะถูกนําขึ้นไป เพื่อไปทําการตรวจสอบไปทําการดูว่าทําอะไรมาบ้างแล้วก็เช่นเดียวกันครับหลังจากนั้นก็ยาไปเจริท่านถึงวันเพลิดเพลิเมื่อเข้าเวลามากกรตรบการงานก็จะถูกนําขึ้นไปท้านอบีมูฮัมหมัดสุลต์รั ม, อ ม, อ ม, มบอกว่าฉันอยากให้การงานของฉันถูกนําไปเสนอในสภาพที่ว่ามันลงท้ายด้วยกับการที่ทันชันทําอิบารัดาเพื่ออัลลอฮ์แล้วคือทําอะไรมาทั้งวันไม่รู้แหละแต่ว่าลงท้ายการงานบ่าวคนนี้ถือสนลดแล้วละสนลด เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวจาจ่าละพอมาวันพระรหัสปุ๊บบ่าวคนนี้ทําอะไรมาบ้างไม่รู้แหละของทั้งวันที่ผ่านมาแต่ว่าลงท้ายด้วยกับการที่เขานั้นทําอิบาระที่พอัลลอฮ์รักคือการถือสินอดซุบฮานะลอรนี่คือความงดงามนี่คือความงดงามครับที่น้องที่รักครับท่านอั บ, บดุลเบี๊ยมุฮัมมัดสุลตานได้ครั้งหนึ่งครับท่านได้อยู่ร่วม ในการละหมาดจนา زا หนึ่งถูกแลตอนเนี้ยเราอยู่หลังอิหมามอยู่แต่ถึงเวลาพวกเราทุกคนจะได้ไปอยู่หน้าอิหมามนั่นะคือเมื่อพวกเราเสียชีวิตจนา زا ศพของเราจะถูกตั้งไว้หน้าอิหมามครั้งหนึ่งครับท่านนบีมูฮัมมัดสุลตานของอัลลอฮฺสลัมครับท่านได้ละหมาดจนา زا หนึ่งหลังจากนั้นครับท่านนบีก็ได้พูดกับบรรดาซาบ่าว่าทุกคนในหมู่ของพวกท่านเนี่ยนะ ทุกคนเลยในหมู่ของพวกท่านที่อยู่ร่วมในที่นี้ไม่มีแม้แต่คนเดียวนอกจากว่าเขาจะต้องถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วถ้าไม่ใช่ที่พำนักในไฟนรกก็ที่พำนักในสวรรค์มีการกำหนดจุดจบไว้อย่างชัดเจนซาบาบางสวดิน ก, ก็กล่าวถามเขาว่ายาระซุลลอออาฟาเลเนตักละลาคิตาบินาวนาดะอัลอัมล ยา رسول ละถ้าเกิทุกอย่างมันชัดเจนขนาดนั้นแล้วอ่ะนั้นเราก็ปล่อยไปเลยได้ไหมคือก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วใช่เราจะเป็นชาวนรกแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นชาวนรกเองหรือถ้าเราจะเป็นชาสวรเดี๋ยวมันก็เป็นชาสวรเองงั้นก็เราปล่อยไปเฉยเได้ไหมยา ر س و ลท่านอบุลียมุฮัมมัดสลแลบอกว่าอีกครับการงานที่ทุกคนมุ่งมั่นไปสู่สิ่งที่เขาต้องการท่านอับดุลเบี๋ยมุฮัมมัดสลแลมบอกว่าจงทา จงลงมือทำให้เต็มที่นี่แหละเพราะว่าคนทุกคนนั้นจะถูกทำให้การงานของเขาง่ายได้สำหรับเขาง่ายได้อยังไงครับท่านอับดุลเลาะห์สั่งได้ยกยักษ์กุรานมาครับว่าหัวฝ้าอัมมามันอัตตาวัดตะวะนัดสะดกะบิลหุสนาฟาซานุยซิรุหูลิลยุสรอและใครก็ตาม ที่เขาเลือกที่จะให้ผู้อื่นมอบให้ผู้อื่นเสียสละให้กับผู้อื่นวัดละกอโดยที่เขานั้นมีความตักวาต่อล l ะ a h สำรวมต่อ Allah, ล l l a h กว่า Allah วาัดละก่อ b i l l h u s แล้วเขาก็เชื่อในเรื่องถึงสิ่งที่ดีงามเขาเชื่อว่ามีการตอบแทนเขาเชื่อว่ามีสวรรค์เขาเชื่อถึงความเมตตาขอละเขาเชื่อถึงความยิ่งใหญ่ขอละเขาบอกว่าไงครับ ใครก็ตามที่เรียนรู้ที่จะเสียสละมอบให้กับผู้อื่นด้วยแล้วเขาก็มีความสำรวมตนต่ออัลลอฮ์แล้วเขาก็เชื่อมั่นถึงสิ่งที่ดีงามเฟอร์เซนูยาซิรูฮุลยุสรอเราจะให้เขานั้นได้เจอสิ่งที่ง่ายได้อย่างง่ายได้แปลว่าท่านอับดุลเบบีมูฮัมหมัดสุลตานได้ที่ใบไว้ครับว่าจริงอยู่ที่ว่ากอดอารัฐถูกกำหนดไว้เรียบร้อยชัดเจนแล้วแต่การกำหนดทั้งหมดนั้นมันสอดคล้องกับการเลือกของพวกเรา ถ้าพวกเราเลือกจะเอาดีเลือกที่จะเป็นคนดีเลือกอยากให้อลัลลอฮ์รั ก, พกเพราะล้อจะทําให้หนทางที่จะทํำให้อลัลลอฮ์รักเนี่ยมันง่ายสําหรับเราพี่ต้องสังเกตไหมคนบางคนไม่อยากจะทําความดีคนบางคนเป็นโมนาฟิคนบางคนชอบโอวดบางทีพอจะทําความดีมันรู้สึกมันยากมันติดขัดอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้มันก็ผลสุดท้ายก็เลยเลือกพูดไปเลยว่าเออดีแล้วอันี้ก็ยังไม่ต้องทําแล้วกันก็ดี ไม่ต้องเหนื่อยเออก็ไปตังค่ามอันนี้อาจจะคิดในใจพูดดังไม่ไรแต่พี่น้องสังเกตไหมหลายคนครับที่ว่าเขามีความตักกว่ายําเกลีต่อร้อยอย่างแค้จริงต่อให้ดูเหมือนทางตันแค่ไหนเอาร้อยความเม่ได้แก่เขาดูเหมือนมันไม่น่าจะเป็นไปนได้แนละ้วเขาไม่น่าจะมีทรัพย์สินจะไปช่วยเหลือใครบริจาคใครเขาก็เป็นคนที่ฐานะยากไร้ยากไร้แต่มันก็เหมือนกับว่าจะทําความดีอะไรมันง่ายไปหมดเลย เขายังไม่มีอะไรอัลลอฮ์ก็ให้มีเพื่อให้เขาไปช่วยเหลือคนอื่นได้เขาจะลุกมาละหมาดบางคนซุบฮานอัลลอฮ์คนอาวุโสผู้สูงอายุหลายๆท่านที่ผมเคยเจอนี่คือเดินไม่ค่อยไหวพี่น้องกระโข ก, กระเพกไม่ไหวบางท่านนีตั้งหนังรถเข็นบางท่านก็ใช้แม้เท้าแต่พอถึงเวลาซุบฮานอัลลอฮ์เมื่อมีเสียงอาจารปุ๊บผู้อาวุโสเหล่านั้นครับมาที่มัสยิดมาได้ยังไงซุบฮานอัลลอฮ์อัลล์ทาที่รู อลัลเลาะลลอฮฺอัลลอฮ์ให้ความหอมหวานแกเขาอัลลอฮ์ให้ความง่ายดายแกเขามาละหมาดได้แล้วก็ละหมาดอย่างมีสมาชิอย่างมีสมาธิครับผมละหมาดอย่างมีคุณภาพนั่นคือบุคคลที่อัลลอฮ์รักพี่น้องที่รักท่านนาบีมูฮัมมัดสุลต่ัน บ, บอกว่าอินนัมัลอามาลุบิลคาบะติมการงานทั้งหมดเนี่ยว่ากันที่ตอนจบนะการงานทั้งหมดเนี่ย ว่ากันทีท่ที่ตอนจบนะหมายความว่าเราอย่าได้ดูถูกคนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกเราแล้วคนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกเราอย่าได้ดูถูกตัวเองเป็นอันขาดบางทีคนที่เราเห็นเขาอาจจะทําพฤติกรรมที่ไม่ดีเขาอาจจะทําสิ่งที่ห้ารอมเขาอาจจะทําสิ่งที่ชั่วร้ายเขาอาจจะไม่ละหมาดเขา อ, อาจจะอะไรไม่มีใครรู้แต่พี่น้องที่รักยิ่งครับเหมือนกับในฮะดิษในพิธหมามุสิมที่ท่านนบีมูฮัมหมัดสุลต่านได้พูดไว้ครับ ในความหมายที่สรุปฮะดีสสรุปความหมายออกมาก็คือคนบางคนนะเขาทําความชั่วร้ายมาตลอดชีวิตของเขาจนกระทั่งว่าระหว่างเขากับไฟนรกหรือมันห่างกันแค่คืบเดียวแค่สอกเดียวคือถ้าเสียชีวิตปุ๊บ ก, ก็เป็นชาวนรกเลยแต่ว่าเขาเลือกที่จะเป็นคนดี a l ะ a h กำหนดให้เขาเป็นคนดีในช่วงบั้นปลายเขา กลับไปทําพฤติกรรมของชาวสวรรค์แล้วเขาก็เสียชีวิตในสภาพบ่าวที่อัลลอฮ์รักแล้วเขาก็เป็นชาวสวรรค์ในขณะที่คนบางคนการงานที่เขาทําตลอดชีวิตอาจจะเป็นการงานของชาวสวรรค์เขาละหมาดเข้าใจ่ายสกัเขาถือเสิทธิ์เขาทําความดีมีแต่คนยกย่องสรรเสริญมีแต่คนดูปุ๊บกระพุ่มใจมีแต่คนที่ดูแลก็รู้สึกอิจฉา แต่บางทีเขามาเสียคนตอนแก่อาจจะไปเที่ยวภับอาจจะทำซิ น, น่าอาจจะยเกี่ยวกับดอกเบี้ยอาจจะรุ่มหลงกับธุรกิจจนโงหัวไม่ขึ้นหรือว่าติด ล, ลูกหลานหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นภาคผลของโลกดุนยามาเสียคนเอาตอนแก่พี่น้องเจอทั้งเขานั้นจริงๆน่จะเป็นชาวสวรรค์อยู่แล้วแต่เพราะการที่เขาเลือกพฤติกรรมที่ชั่วร้าย คนสุดท้ายเขาก็กลายเป็นชาวนรกเสียชีวิตในสภาพของบาวที่ Allah อัลลอฮ์กดดิ้ออัลลอฮ์บอกว่าเราไม่ได้นำทางพวกเขากระนั้นหรือไม่ได้นำทางให้มนุษย์รู้หรอกหรือว่าอะไรคือทางที่ดีอะไรคือทางที่ไม่ดีพี่น้องที่รักยินครับในช่วงสงครามคอยบัดหะดิษนี้ จากท่านอบูฮะเราะห์เราซิลล้วันฮูเป็นผู้ที่รายงานมาท่านอบูแล้วาะหเราะบอกว่าในช่วงสงครามคอยบัตเนะี่ยครั้งหนึ่งท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุイスลามได้พูดกับมาดาซฮะบะในกลุ่มคนที่กําลังจะร่วมทําสงครามคอยบัตด้วยกันเนะี่ยมีชายอยู่คนหนึ่งซึ่งเขาเป็นมุนาฟิกชายคนหนึ่งที่เขาเป็นมุนาฟิก เขาแสดงออกว่าเขานั้นเป็นมุสลิมเขาแสดงออกว่าเขาเป็นผู้ศรัทธาแล้วเขาพร้อมที่จะสู้ในสงครามนี้เจา น, นาบีมอสลอลลัยซัมได้บอกกรบมดาซาวาบ่าว่าคนที่พวกคุณประทับใจคนที่พวกคุณรู้สึกว่าดีว่าเป็นเรื่องปกติครับส่วนใหญ่มวนาที่คนกับก อ, อกเนี่ยจะทําภายนอกให้มันดูสวยดูต่อให้เขาโกหกแค่ไหนก็ตามคนก็ยังยกย่องเขาคนก็ยังเชื่อถือเขาภาพลักษณ์เขาจะดูดี ซอบาก็รู้สึกว่าคนเนี่ยน่าจะเป็นคนดีท่านอับดุมฮัมหมัดสลลลละซาลัม บ, บอกว่าแต่เขาจยเป็นชาวนรกแต่เขาเป็นชาวนรกเมื่อถึงเวลาเริ่มสมรภูมิเริ่มสงครามครับสงครามคอยบัตเป็นสงครามที่หนักหนามากๆครับพี่น้องเป็นสงครามที่หนักมากซึ่งชายคนเนี้ยก็สู้แบบแข็นขันเลย สู้แบบแข็งขนสู้แบบเป็นการต่อสู้แบบเหมือนกับเป็นฮีโร่เลยครับเหมือนกับไม่กลัวตายเลยบุกทะลวงอย่างเดียวเลยจนเมื่อเสร็จสิ้นสงครามครับชายคนนี้บาดเจ็บสาหัสสหบ้าบางท่านถึงกับแอบสงสัยบางทีความสงสัยมันเข้ามาในหัวใจเราได้ครับพี่น้องบางทีความสงสัยมันก็เข้าไปในหัวใจเราได้สหบ้าบางท่านรู้สึกสงสัยว่า ที่เขาก็สู้แบบสู้แบบนักโรคนี่เขาก็ข้าวหารขนาดนี้นี่เขาก็สู้จนบาดเจ็บสหบาหัสนี้ทําไมเขาถึงเป็นชาวนาลกไปได้ล่ะอยากรู้สงสัยอยากเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทราบว่าบางท่านเห็นเขาเพราะว่าทําไมเขาเป็นชาวนรกทำไมท่านอบีบอกเป็นชาวนรกเราไม่เข้าใจพี่น้องที่รักยินครับจนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปพักหนึ่งจนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปพักหนึ่งครับ พี่น้องที่รักครับมีคนวิ่งกระหืดกระอบมาหาท่านบีุโมฮัมมัดสุลตานอัลอาเวะซัลลัมแล้วก็บอกยาละซุลละอว์ชายคนนั้นที่ท่านบอกว่าเขาเป็นชาวนรกเนี่ยเขาทนพิษบาดแผลของตัวเองไม่ไหวแล้วเขาก็ฆ่าตัวตายไปเรียบร้อยแล้วนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกจุดจบของชีวิตตนเอง เริ่มมาสวยงามเหลือเกินตอนใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยเสียสายนิทานของรถสู้อย่างห้าอหารแต่เมื่อมาถึงจุดสุดท้ายของชีวิตเลือกที่จะปิดชีพเจงซึ่งก็อย่างที่เรารู้ครับอินทรีลร้หัวอินทรรรอยยนใครก็ตามที่ฆ่าตัวตายนั้นเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์ซาฮาบะท่านที่แบบว่ามีความสงสัยว่าเขาจะเป็นฌานนรกได้ยังไงพอเห็นเหตุการณ์ต่อหน้าปุ๊บชัดเจนเลย บอกซาดะก็ลลอฮุอะลลอฮซุลที่อัลลอฮ์และศาสนะทูตของพงษ์พูดนั้นเป็นสัจเป็นความจริงเป็นเรื่องสัจจริงจริงๆเราไม่รู้เรื่องจริงเราคิดว่าเขาเป็นคนดีเขาเนี่ยจะใช่แต่ผลสุดท้ายพอมันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่พี่น้องเพราะถ้าเกิดคนที่ต่อสู้เพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงเขาจะรู้เขาจะไม่เร่งรีบในการไปหาพงษ์อัลลอฮ์คือเมื่อถึงเวลาเขาต้องไปเจอพุ่งเขาก็ไปเจอพงษ์ก็กแค่นั้น เขาก็ยอมรับจุดจบของตัเองเหมือนกับท่านอุมาโรายโลออนหูตอนที่ท่านโดนแทงก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตบรรดาซอบาพยายามจะมารักษาท่านอุมาศก็บอกว่าฉันรู้ตัวฉันแล้วพวกคุณไม่ต้องอะไรหรอกเดีวท่านอุมาศก็สั่งเสียท่านอุมาศก็ตักเตือนจนกระทั่งลมสุดท้ายของลมหายใจของท่านท่านก็จากไปในสภาพของบาะที่อ่อนลัก เช่นเดียวกับบรรดาซาฮบะหลาหลายท่านเช่นเดียวกับท่านอบีมมุฮัมมัดสุลต์ลองอดีตสลัมบุคคนที่ประเสริฐที่สุดในโลกตอนที่ท่านจากโบกุญญาไปท่านก็อดทนจนถึงที่สุดของที่สุดของที่สุดทรมานแค่ไหนท่านไม่ปีกปากบอกใครเลยเหงื่อท่วมตัวท่านซีดทั้งขอแค่เอาน้ํามาใกล้ๆตัวท่านเอาน้ํามาลูบหน้าตัวเองท่านอบีมุฮัมมัดสุลต์ลองสลัมเวลาถูกทดสอบท่านจะทรมานหนักกว่าคนอื่นสองเท่าพี่น้อง แต่ท่านไม่ปีปากไม่พูดถึงความทรามานไม่พูดถึงความเจ็บปวดที่ท่านกำลัง เ, เจอท่านแค่เอาน้ามาลูปหน้าแล้วท่านก็พูดเตือนสติคนทุกคนที่อยู่เบื้องหลังท่านว่าแน่นอนในความตายนั้นมันมีความมึนเมาที่น่าสะพรึงกลัวอยู่มีความมึนเมาที่ทรามานอยู่ทุกคนจะต้องเจอครับว่าจะอัศกรัตุลมัตุบิลฮ ah ักดายกะมากุนตะมินห์ทัฮิดว่าเราแกว่งนิกรานว่าความทรามานความมึนเมา ของความตายจะต้องมาเจอกับพวกเราแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวพี่น้องมันเจอแน่นอนจะกลัวพี่น้องก็ต้องเจอจะไม่กลัวพี่น้องก็ต้องเจอแต่มุสลิมเราครับถ้าเกิดเราทําชีวิตทั้งชีวิตของเรามาถ้าเราทําบ้านปลายของเราให้งดงามให้สวยงามพวกเราะรักเราเราก็จะจากดุลยาไปในสภาพที่ว่าก่อนเสียชีวิตอาจจะดูทรมานมากๆ แต่นั่นคือความเมตตาของลอที่เมตตาเพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะลบล้างความชั่วที่เราเหลือให้มันหมดไปพี่น้องทนทรมานอีกนิดหนึ่งก่อนที่ถึงเวลากลับไปหาพวกลอก่อนที่มรารีกะที่มาเก็บวิญญาเราจะบอกว่ายาออยะตุห น, นัฟสุนมตมาอินนะยะรชีอีลาอับบิกิรอเดยตัมมารดียฟะี ฟ, ะฟีอิบาดีวะ น, นุลีจเนตีวาใจที่สงบนิ่งวิญญาณที่สงบนิ่งยรชีได้เวลากลับแล้ว ถึงเวลาเป๊ ะ, ปะแล้วไม่ได้เร็วไปสักวินาทีหนึง่งไม่ได้ช้าไปแม้แต่วินาทีหนึง่งถึงเวลาเป๊ ะ, ปะแล้วได้เวลากลับไปหานายของเจ้าในสภาพที่พวกนั้นรักเจ้าแล้วเจ้าก็รักพวออ์กลับไปอยู่ร่วมกับวงเปล่าของเรากลับไปอยู่ร่วม กับบุคคลที่อัลลอฮฺรักนี่คือคําพูดที่ผมขอโดาจากพวกลอสซูบานวาตาให้พวกเราทุกคนนั้นได้ยินมันเป็นคําพูดสุดท้ายก่อนที่เราจะจากวิญญาณนี้ไปเมื่อเราจากวิญญาณนี้ไปก็ ข, ขอให้มาเลก้าที่มาเก็บวิญญาณพวกเราเป็นมนาเลก้าที่มาเก็บวิญญาณของคนดีขอให้วิญญาณของเราดังขึ้นไปถึงฟากฟ้าขอให้รายชื่อของเราถูกบันทึกไว้ใ น, ไ, นไอลียินบอมาดาระมะอิลียุนคิทั บ, มมบุนมารกุมยะชฮุลมุกรรบุน อะไรนะคออิลิยุนอิลิยุนคือบันทึกที่ใช้รวบรวมรายชื่อของคนดีๆที่อัลลอฮ์รักพี่น้องพี่น้องชีวิตในดุนยามันคือบททดสอบมันมีความทรมานมันมีความเศร้ามันมีความทุกข์มันมีความสูญเสียมันมีความผิดพลาดมันมีความสุขสมมันมีความประสบความสําเร็จมันก็คือดุนยาที่เราอยู่แล้วมันก็คือดุนยาที่เราจะต้องจากไป แล้วที่เราจะกลับไปคือที่พมนักที่ตลอดการครับพี่น้องที่รักยิ่งผูอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลต้าลาครับได้ใท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮฺอัสซัลลัมได้บอกให้เรารู้ว่าเมื่อผู้อัล์รักใครเนี่ยมันจะเป็นยังไงเมือ่อผู้อัลลอฮ์รักใครสักคนมันจะเป็นยังไง ความรักของพวกลอสพี่น้องไม่เหมือนความรักของมนุษย์เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่แล้วไม่ใช่เป็นความรักที่เมื่อพวกรักใครพวกลอสจะรักแบบลับๆไม่ใช่แอบรักไม่ใช่รักโดยที่ไม่ให้ใครรู้แต่เมื่อพวกลอสสุภาในหัวใจรักใครก็ตามพวกลอสจะเปิดเผยอย่างชัดเจนแล้วก็ใช้บุคคลดีๆทั้งหลายได้ร่วมรับรู้ได้ว่าพระองค์นั้นรักเขามากแค่ไหนเชนบิวสราชามพูดว่าไงครับ ผู้ลอสุบฮานหัวตาลาเมื่อรักบ่าวใครคนไหนสักคนหนึ่งพระองจะบอกกับยิบรีนว่าไงครับยิบรีนมากระดับสูงสุดมาเลกาที่ลอ ร, รักมากที่สุดมาเลกาคนสนิทมาเกที่ว่าเมื่อถึงเวลาผู้ละใช้องการอะไรผู้ลอจะบอกผ่านมากาท่านยิบรีนท่านนี้พอเมื่ อ, อไหร่ก็ตามที่ผลได้ให้องการมาซอฟิมันฟิลสมาวาติวัลอั ซอฟต์แมันเป็นสมณะขอมาฟครับบรรดามาเลกจับหวาดกลัวกันทุกคนเลยคนแรกที่จะมีสติก่อนคือท่านชิบีแล้วผูอาลณ์ก็จะบอกว่าใหกับท่านชิบลีท่านชิบลีก็จะบอกต่อกับมาเลยกหมายความว่าไงครับเรื่องอะไรก็ตามที่อาลักษณ์จะสั่งใช้ให้เกิดขึ้นผู้อาล์จะบอกชิบลีนแล้วก็จะบอกมาเลย์เรื่องใหญ่โตทุกเรื่องที่จะเกิดขึ้นผู้อาลักษ์จะบอกท่านชิบลีนก่อนแล้วก็บอกให้กับมาเลย์แก แป่าเรื่องใดก็ตามที่อัลลอฮ์บอกกับท่านยิบรีนนั่นคือเรื่องที่ใหญ่ครับพี่น้องใหญ่ระดับทําลายพื้นแผ่นดินได้เลยแต่ท่านอับดุลเบี๋มอามัซลอร้องไว้สลัมบอกว่าเมื่อพว้อัลลอฮ์รักใครสักคนพวกอัลลอฮ์จะบอกว่ายิบรีนเอย๋ยค่ารักบ่าวของข้าคนนี้เจ้าจงรักเขาด้วยนะค่ารักบ่าวของข้าคนนี้เจ้าจงรักเขาด้วย อย่าล้อขอให้พ่อละรักเราด้วเถิดอย่าล้อขอให้ท่านชีบดีรักเราด้วยเถิดอย่าล้อขอให้บรรดาคน ด, ดีรักพวกเราด้วยเถิดพ่ อ, อพละ บ, บอกกับจิบลินข้ารักบ่าวคนนี้เจ้าจงรักเขาด้วยแล้วท่านจิบลีนก็จะรักเขาทันทีเลยครับพี่น้องบุคคลที่ดีที่สุดบุคคลหนึ่งในโลกรักคนที่อลัลลอฮ์รัก รักคนที่ดีรักบ่าวของอัลลอ์ที่กับเนื้อกับตัวรักบ่าวของอัลลอ์ที่อยากให้ผงรักเขารักบ่าวของอัลลอ์ที่พยายามทำตัวให้อัลลอ์รักเขาแล้วเมื่อท่านชิบรลินรักใครสักคนท่านชิบรลินก็ไปได้ปกปิดความรักขอ ง, ของท่านเช่นเดียวกันซ่มยูนาลีฟิสซมยะกูอินนัลลอฮะยุฮิบุฟลนฟะฮิบุท่านชิบรินก็จะประกาศให้หมดบนท้องฟ้า ชาวฟ้าทั้งหมดพี่น้องอย่าลืมครับผม <c oughs> ทุกคนที่อยู่ในท้องฟ้ามีแต่ผู้ที่สะอาดมีแต่ผู้ที่บริสุทธิ์มีแต่ผู้ที่อัลลอฮ์รักเท่านั้นสิ่งสกปบกมีแต่ในดุญญนยาเนี่ยแหละพี่น้องในยิสมีแต่ในดุนยาผู้ที่อยู่ในฟากฟ้าทั้งหมดมีแต่บุคคลที่อัลลอฮ์รักมีแต่บุคคลที่บริสุทธิ์คนที่บุคคลที่ไม่ ย, ยี่ยงจังหองเมื่อท่านจิบลินประกาศทั่วทั้งฟากฟ้า ชาวฟ้าก็จะรักเขาชาวฟ้าก็จะรักเขาแล้วพวู้อัลลอฮ์ก็จะกําหนดให้ว่าเขาในโลกดุนยาเนี่ยก็จะมีบุคคลที่ยอมรับเขาด้วยเช่นเดียวกันคนดีอาจจะมีคนเกลียดชังเลือกเป็นคนที่อัลลอฮ์รักเนี่ยอาจจะมีคนที่ไม่พอใจเราอาจจะมีคนมาด่าว่าเรา จ, จะมีคนใส่ร้ายเราอาจจะมีคนทําร้ายเราแต่พู้อัลลอฮ์ก็จะให้หัวใจของคนอีกเป็นจํานวนไม่น้อย ยอมรับคนที่อัลลอ์รักเขาต่อให้เป็นศัตรูต่อให้เป็นคนที่เกียรช่างก็จะเปิดใจให้ยอมรับเขาพี่น้องคีร่าคาริสไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้หลังจากที่ผู้อัลลอฮ์รักใครสักคนชาวฟ้าทั้งหมดรักถึงเวลาชาวฟ้าก็ดูอาให้กับคนที่เขารักมีแต่สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นกับเขาแต่เมื่อผู้อัลลอฮ์รังเกียจใครสักคน เมื่อพอล้อโกรธกิ้วใครสักคนผู้ล้อก็จะประกาศบอกกับท่านยิบลีนว่ายิบลีนฆ่าเกลียดคนคนนี้ฆ่าโกรธคนคนนี้เจ้าจงโกรธเกลียดเขาด้วยแล้วท่านยิบลีนก็จะโกรธเกลียดคนนั้นนัอุตบินลายมินดาลีเขลักคุของพวกเราแล้วท่านยิบลีนก็จะประกาศั่วทั้งคองฟ้าว่าอัลลอฮ์เกลียดคนคนนี้เจ้าจงเกลียดเขาด้วยต่อให้คนคนนี้จะล่ำรวยจะมีทรัพย์สินคนจะนับหน้าถือตา จะมีเกียรติยศจะมีลูกหลานเต็มไปหมดจะดูเป็นคนที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่เมื่อเขาทำตัวให้อัลลอฮเกียรตินั่นคือทั้งหมดที่เขาจะได้แค่ดุนยาแค่พริบตาเดียวแล้วมันก็จะหายไปหมดไม่มีคุณค่าเลยด้วยซุมอัคสนาฮูบะกะตตันถึงเวลาพวกก็กระชากเข้ามาจากสิ่งทุกอย่างที่เขามีโดยที่เขานั้นไม่ทันได้ตั้งตัวพี่น้องที่รักยิง พอลอสสุบานวตราก่าวว่าไงครับแล้วเมื่อข้ารักเขาแล้วเมื่อข้ารักเขาใครพูดพอลอสสุบานุตราาพูดครับเมื่อข้ารักเขารักบ่าวสักคนข้านั้นจะเป็นการได้ยินของเขาข้านั้นจะเป็นการได้ยินที่เขาได้ยินข้านั้นจะเป็นการมองเห็นที่เขามองเห็นสุบานุละ ว่ายด่ดาวหุลยทียาปฏิชูบีหาแล้วข้าก็จะเป็นมือของเขาที่เ ข, เขาคนขวายอะไรมาแล้วข้าก็จะเป็นเท้าแก่เขาที่เขาใช้ในการเดินไปมาสุบานอวะนี่คือการแสดงถึงความรักอันสูงสุดสูงสุดแล้วที่ผู้ร้อยสุบฮาลตรารักเบ่าของพระองค์พี่น้องปกติเวลาคนรักคนเราจะใช้คําว่าอะไรครับเรายอมตายแทนกันได้ แสดงเห็นว่ารักกันจริงๆแต่นี่ผู้อัลลอฮ์บอกว่าเป็นหูเป็นตาคือเขารับรู้อะไรมาผู้อัลลอฮ์ก็เป็นเดือดเป็นร้อนแทนเขาเขาเห็นอะไรมาผู้อัลลอฮ์ก็แคร์สิ่งที่เขาเห็นเขาจะทําอะไรมาผู้อัลลอฮ์ก็รับรู้อยากให้เขาได้รับแต่สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาเขาจะไปที่ไหนผู้อัลลอฮ์ก็จะช่วยให้มีแต่ความง่ายดายสำหรับเขาทาให้มีแต่สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นกับบุคคลที่อัลลอฮ์รักไม่ใช่แค่นั้นนะครพิ no وَإِنْ س َ أ َ ل َลِ ي ل َ ع ُ و َ ت ِนَ ن َ ف that َ خ َ و ْ خ َ أ َ ل َ ي ْ خ َ خَوْجَهِ خَوْ وَلَئِنْ إِسْتَعَازَنِي ل َ أ ُ ع ِ ي ذ َ ن َ ه ُ لَرَكَهُ مَا يَأْكُلُهُ وَلَئِنْ أَعْتَرَفَنِي بِهِ لَأَعْتَرَفَنِي بِهِ وَلَئِنْ أَعْتَرَفَنِي بِهِ لَأَعْتَرَفَنِي بِهِ وَلَئِنْ أ َ ع ْ ت َ ر َ ا َ ن ِ ي ب ِ ه ل َ أ َْ ت َ ر َ ف َ ن ِ ي بِهِ و َ ل َ ئ ِْ ت َ ر َ ف َ ن ِ ي بِهِ ل َ أ َ ع ْ ت َ ر َ ف َ ن ِ ปวลอสพาณนาหุวะจาราได้พูดต่อครับข้าไม่เคยมีความลังเลใจใดๆเลยเหมือนกับที่ข้ามีความลังเลใจในการที่จะเก็บวิญญาณบ่าวของข้าที่ข้ารักเขาเบาวที่เขายังไม่อยากตายแล้วข้าก็ไม่อยากให้เขาเจอสิ่งที่ไม่ดีถามว่าพวกเอ็มมีความเครือบแคงอะไรไม่ไม่มีครับ พวกเราจะทํำอะไรมีความสงสัยไ ม, ไม่ไม่มีครับพวกเราะคือผู้ทรงสูงทรงผู้ทรงสมบูรณ์ยิ่งแต่พวกเราพูดแสดงถึงความรักของพวกเราที่มีให้กับเราความรักที่มากกว่าที่เพื่อนรักเราเมื่อใครก็ตามทมําให้เราล้อรักเขาความรักของพวกเราล้อนั้นยิ่งกว่าเพื่อนที่รักเราที่ยอมตายใจเรา ยิ่งกว่าคู่ครองของเราที่รักเรายิ่งกว่าลูกของเราที่รักเรายิ่งกว่าพ่อแม่ของเราที่รักเรายิ่งกว่าคนทั้งโลกที่เขารักเราสาราิอัลลอฮนี่คือความรักของผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่เมตตาผู้ที่เมื่อพระองค์รักบ่าวคนไหนสักคนพ่มก็จะทุ่มมอบจะสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาแล้วพระองค์ก็มอบให้ได้ได้วยความสามารถของพระองค์ด้วย ถ้าเป็นสิ่งถูกสร้างอื่นอาจจะอยากให้สิ่งที่ดีแต่ไม่มีความสามารถเราเห็นคนไม่สบายแล้วอยากช่วยคนที่เรารักป่วยไข้ล้วอยากช่วยแต่มันเกินความสามารถของเราเราเห็นเขาเดือดร้อนเราอยากช่วยหลายๆเรื่องแต่เราอาจจะช่วยได้แค่นิดหน่อยเท่าที่เราจะมีความสามารถเราเห็นเขาเศร้าแล้วอยากปลอบประโลมแต่เราก็ปลอบได้เท่าที่เราจะทําได้แต่เมื่อผู้อรรถสุภานหัวตารักใครเมื่อเขาเศ <c oughs> <อ>ร้า <enger> พระองค์จะเป็นผู้ที่ปลอบประโลมเจ้า อบประปโลมเขาให้เขามีกำลังใจสู้ต่อไปเมื่อเขามีความทุกข์พวกล้อจะช่วยปลดเปื้องความทุกข์ของเขาเมื่อเขามีหนี้สินพวกล้อก็จะช่วยเขาสามารถใช้หนี้สินนั้นได้ด้วยความเมตตาขอร้องอย่างง่ายดายแล้วเมื่อเขามีความเดื อ, อ, อรดร้อนเมือดร้อนเดือดเนื้อหรือมีเรื่องที่ไม่สบายใจหรือเจอสิ่งที่ไม่ดีพวกล้อนั้นจะเป็นผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือเขาเป็นความรักที่งดงามเป็นความรักที่บริสุทธิ์ ไม่อยากให้เอาล้อรักพวกเราหรือครับพี่น้องที่รักไม่อยากให้เอาล้อรักพวกเราเล อ, วเเอความรักของพระองค์ความเมตตาของพระองค์ที่มีให้กับพวกเราแล้วมันยิ่งใหญ่มันมากมายเหลือเกินแล้วมันจะมากยิ่งขึ้นไปอีกถ้าเราสามารถทําตัวให้พระ อ, องค์รักเราได้อดีตเราจะเป็นยังไงพี่น้องผมไม่รู้อดีตเราจะเลวร้ายขานาดเรจะปิดบงังอะไรบ้างไม่มีใครดูนอกจากอัลลอฮ์กับนอกจากเจ้าตัว แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเวลานี้วินาทีนี้ที่เรามีสติที่เรายังคิดได้อยู่ที่เราลุกมาทำการงานที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดหลายหลายท่านมาเตรียมสโสดให้กับครอบครัวหลายหลายท่านมาเตรียมรับประทานสโหดหลายหลายท่านเตรียมตัวที่จะถือสินอดเพื่อให้อัลลอ์รักเขาเพออัลลอฮ์สั่งว่าเดือนอมบดัให้ถือสิญอดพวกเราก็ได้ลุกมาเพื่อที่จะทาตามคาสั่งใช้ของอัลลอ์ ทั้งๆ ท, ที่เตียงนั้นก็เป็นที่นองที่สะดวกสบายสาหรับเราหลายๆท่านก็นอนเปิดแอร์เย็นสบายอาหารก็เลิศรูหลายๆท่านสามารถกินอะไรก็ได้ที่อยากกินมีความสามารถจะกินอะไรก็ได้สุขภาพก็แข็งแรงแต่พวกเราเลือกที่จะละทิ้งสิ่งทั้งหมดพวกเราเลือกที่จะลทิ้งสิ่งหาลนานเหล่านั้นเพราะอะไรพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราต้องตรวจสอบ ต้องย้ำเตือนกับตัวเราเองเรามารอเนี่ยอาทิตย์หนึ่งนะพี่น้องผ่านมาเนี่ยอาทิตย์หนึ่งแล้วนะพี่น้องวันที่เจ็ดแล้วเราลุกมาถือสโนดเพื่ออะไรต้องหยอกตอกย้ำกับตัวเองให้มากๆต้องตอกย้ำกับสมาชิกในครอบครัวต้องให้เขารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำนี้เป้าหมายเพื่อให้อัลลอฮฺรักเป้าหมายเพื่อให้ผู้ที่เรารักมากที่สุดนั้นรักเรา เมตตาเราพอใจเราแล้วเมื่อไรก็ตามที่พงศ์รักเรานั่นคือสิ่งที่ดีงามที่สุดแล้วหากจะขอดัวอะไรพี่น้องอย่าลืมขอดัวด้วยยาวล้โอโปรดให้จุดจบที่งดงามแก่ฉันด้วยพอผู้ใดก็ตามที่เอาล้อให้จุดจบที่งดงามแก่เขานั่นแสดงว่าผู้เอาล้อนั้นรักเขายาว ล, ล้อเราขอดัวาจากพงศ์พงศ์นั้นเป็นนายของเราพงศ์นั้นเป็นที่พึ่ง เพียงหนึ่งเดียวของเราไม่มีพระเจ้าใดนอกจากพระองค์ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์พวกนั้นไม่ได้คลอดใขรมาแล้วพวกนั้นก็ไม่ได้ถูกคลอดมาพวกนั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถอย่างแท้จริงแล้วความเมตตาของล้อยันยิ่งใหญ่และความรักของพวกนั้นเป็นความรักที่ลึกซึ้งจริงจังแล้วก็งดงามยาวล้อโปรดให้เราอยู่ในหนึ่งในปวงบ่าวที่พระองค์รักเราด้วยเถิดยาวล้อขอให้เราอยู่ในหนึ่งหนึ่งในหมู่ วงเบาของพวกลอสสุภาโนวัตลาที่เขานั้นได้ประโยชน์จากเดือนรอมฎอนอย่างเต็มที่ด้วยเถิดขอให้ชีวิตของพวกเรานับจากนี้เป็นต้นไปเป็นชีวิตของคนที่ว่ากับเนื้อกับตัวสุโค์ขอให้เป็นชีวิตของคนที่ว่าสำนึกผิดในสิ่งที่ผ่านมาสิ่งไม่ดีต่างๆที่เราทํามาอัลลอฮ์ย้ำรู้ดีพวกลอสา น, นไม่หลงลืมแม้แต่เรื่องเดียวยาละโปรดให้ไปโทษแก่เรา อย you. er. so like ่า mm ล our ้อโรดจะได้ถือสาเราอย่าล้อโปรดให้เราเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นขอให้คู่ครองของเราเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นขอให้ครอบครัวของเราสมาชิกในครอบครัวของเราเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์ขอให้พวกเรานั้นมีความอดทนในการที่จะฟันฝ่าบททดสอบทั้งหมดของพระองค์ไม่ว่าพระองค์จะทดสอบเราในรูปแบบใดก็ตามอย่าล้อขอให้เรานั้นมีความหนักแน่นมั่นคงขอให้เรานั้นมีความสามารถที่จะผ่านมันไปได้อย่าล้อใครก็ตามในหมู่ของพวกเราที่เขานั้น ถูกทดสอบด้วยกับบททดสอบใดก็ตามยาวล้โปรดให้ผละบุญในบททดสอบเหล่านั้นยาวล้โปวดให้ความเข้มแข็งความอดทนแก่พวกเราในบททดสอบเหล่านั้นยาวล้โปรดจะได้ทดสอบเราด้วยกับบททดสอบที่มันหนักหนักหนึ่เหมือนที่พวกได้ทดสอบคนก่อนหน้าพวกเราแล้วก็ยาวล้โปวดจะได้ทดสอบเราด้วยกับบททดสอบที่มันเกินความสามารถของเรา ยาวล้อใครก็ตามในหมู่ของพวกเราถ้าเขาป่วยไข้ยาวล้อปวดช่วยรักษาอยู่ยาเขาด้วยเถิดยาวล้อใครก็ตามในหมู่ของพวกเราที่เขากำลังมีความทุกข์ปวดให้ความทุกข์หายไปจากหัวใจเขาด้วยยาวล้อใครก็ตามในหมู่ของพวกเราที่เขากำลังต้องการกําลังใจปวดให้กําลังใจแก่เขาปวดให้ความเข้มแข็งแก่เขาปวดให้อิหมานแก่เขาใครก็ตามในหมู่ของพวกเราที่เขามีหนี้สิน ยาวล้อปวดช่วยปวดปิน้นปวดเพื้อนมิสินไปให้จากพวกเราด้วยเถิดแล้วใครก็ตามในหมู่ของพวกเราที่ว่าเขานั้นกําลังอยู่ในช่วงบททดสอบที่มันหนักหนาที่สุดของชีวิตหรือบททดสอบรูปแบบใดก็ตามยาวล้อปวดให้ความช่วยเหลือพวกเรา โปรดเมตตาพวกเราโปรดรักพวกเราโปรดให้อภัยพวกเราพระองค์นั้นเป็นที่รักยิ่งของเราแล้วก็เป็นนายของพวกเราแล้วก็ขอให้พวกเรานั้นมีความสามารถที่จะเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์ตลอดไปจนลมหายใจสท้ายของชีวิตเราด้วยเถิดอาเมนอกุกอัลฮะดวสักุลลฮะลเบลักุนวลิสัลิมสลีมินมินุลินะบมาสักฟิรูอินหูวะลกฟูรฮิมซุบฮานาลลอฮะบิัมดิกะ อัลาะลลัลันตัซักวิวตุุไลขอให้เป็นรอมดอนที่ยีสุดสำหรับพวกเราทุกคนครับอาเมนครับサมุลกุมวะรหฺมุลลอฮวะบารกาตูฮบ